ที่วัดแห่งหนึ่งนะเด็กวัดเห็นหลวงพี่ที่คุ้นเคยสีหน้าหมองนะเครียดเหมือนกับว่าไม่สบายเด็กวัดก็เลยถามว่าหลวงพี่ไม่สบายเหรอนะพระก็สั่นหน้าสั่นหัวนะพอสัก พรก็หลุดปากขึ้นมาว่าเนี่ยแ yeah, ย่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยเด็ก ว, วัยก็เลยถามว่าอะไรไม่ดีพระก็ตอบว่าพูดไม่ดีนะเดี๋ยวก็ถามต่อว่าไม่ดีอะไรนะเทศนะเมื่อเช้าเนี่ยนะเทศเมื่อเคยดีเลย ตั้งใจเทศนะแต่เทศไม่เคยดีเด็กวะก็เลยถามต่อว่าเทศเรื่องอะไรนะพระก็ตอบว่าเทศเรื่องการปล่อยวางนะฟังเรนนี่ได้แง่คิดอะไรมั้ยจริงๆท่านไม่ได้เทศไม่ดีนะแต่ท่านวางใจไม่ดีต่างหากนะท่านเทศเรื่องปล่อยวางนะแต่ว่าใจท่านก็ยังนะยังไม่ปล่อยไม่วางนะ เทไปผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วก็ยังยังแบกยังยึดนะสิ่งที่ได้เทศไปนะอันนี้เรียกว่าปัญหาไม่อยู่ที่วางใจปัญหาไม่อยู่ที่พูดไม่ดีเทศไม่ดีแต่อยู่ที่ว่าวางใจไม่ถูกนะเทศเรื่องการปล่อยวางแต่ใจยังยึดติดอยู่นะนะเมื่อถ้าจะเทศเรื่องปล่อยวางก็ต้องใจก็ต้องปล่อยวางจริงๆนะ ก็คือว่าผลมันจะเป็นอย่างไรนะก็นะไม่ต้องนะไปเก็บเอามาคิดนะนะบ่อยครั้งนะผู้คนก็เป็นอย่างนี้แหละนะผู้เรื่องปล่อยวางนะแต่ว่าใจปล่อยวางไม่ได้มีหลายคนนะดูแลแ ม, แม่แม่ป่วยนะแม่ไม่ค่อยสบาย แล้วก็ที่แม่ป่วยแม่ไม่สบายเนี่ยก็เพราะว่าแม่มีความกลัดกลุ่มนะกลุ่มใจนะเรื่องอดีตเรื่องครอบครัวลูกก็บอกให้แม่ปล่อยวางปล่อยวางแต่ว่าลูกก็ไม่ปล่อยวางนะเพราะว่าลูกก็เครียดเหมือนกันนะเครียดเรื่องแม่นะเครียดที่แม่ไม่ปล่อยวางนะ มันขัดแย้งกันนะแม่บอกให้ลูกอะลูกบอกให้แม่ปล่อยวางนะแต่ว่าลูกนี่กลับกลับยึดติดถือมันเสียเองนะก็คือปล่อยวางเรื่องแม่ไม่ได้นั่นพูดไปพูดไปนะมันก็ไม่มีน้ำหนักนะเพราะว่าคนพูดไม่ปล่อยวางเวลาทำแล้วก็ตามเนี่ยนะ เมื่อทำแล้วนะก็ต้องรู้จักปล่อยนะรู้จักวางไม่ได้แปลว่าเอามาคิดทบทวนไม่ได้นะได้เราก็กลับมาทบทวนวนะ่าเออมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบ้างนะอย่างนี้เรียกว่านะใคร่ครวนนะใคร่ครวนเป็นการย้อนกลับมาพิจารณา ด้วยสตินะด้วยปัญญาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถึงอดีตเนี่ยก็จะคร่ำครวญมากกว่ า, าคร่ำครวญกลุ่มใจอันนี้เพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับอดีตไม่ถูกต้องนะก็คือว่าทำด้วยความหลงนะทำด้วยความลืมตัวเรื่องอนาคตก็เหมือนกันนะอนาคตนี่ก็ ถ้าเราเกี่ยวข้องให้มันถูกนะมันก็ดีนะเนะช่นพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะได้วางแผนนะวางแผนการทำงานถึง1นงปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าหรือว่าเตรียมตัวรับนะความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างนะปีนี้เขาก็ตื่นเต้นกันที่ว่านะจะเปิดนะ อาเซียนนะ AEC นะหรือว่าอ่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงก็เราก็มาดูว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะอันนี้เรียกว่าเกี่ยวข้องกับอนาคตนะอย่างมีสติด้วยปัญญาแต่ว่าถ้าไม่ใช้สติไม่ปัญญามก็ความหลงก็มาแทน พอนึกถึงอนาคตก็วิตกกังวลกลัวนะหลายคนเวลานึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแทนที่จะเกิดความตื่นตัวเพื่อจะได้ทำความเพียรเสียแต่วันนี้นะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นะ ให้พิจารณาถึงความตายเพื่อได้ไดเร่งทำความเพียรเสตตะวันนี้เสตตะชั่วโมงนี้นาทีนี้นะอันนี้ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสังเวคะหรือสังเวชะแปลว่าความตื่นตัวนะเป็นการกระตุ้นเตือนนะให้กระตือหรือล้นนะความหมายเดียวกับสังเว ในความหมายเดียวกับในสังเวชนิสถานนะสังเวชชนิสสถานคือสถานที่ทําให้เราเกิดความสังเวชแต่สังเวชในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหดหู่แต่ว่าเกิดความกระตือรือร้นเกิดความตั้งใจที่จะทําความเพียรเพื่อการพ้นทุกข์แต่ถ้าพิจารณาความตายไม่ถูกต้องก็เกิดความหวาดกลัวเศร้าหมองกังวลหรือว่าหดหู่ก็ได้นะอันนี้เรียกว่า ทำไม่ถูกนะก็ได้พูดไปแล้วนะเรื่องการปล่อยวางเนี่ยนะปล่อยวางเรื่องการทําใจนะไม่ได้หมายถึงการปล่อยปละละเลยนะหรือว่าการวางเฉยนะปล่อยวางก็คือการทําใจไม่ให้ยึดยึดติดไม่ให้แบก ความทุ้งคนเราเนี่ยทุกกายก็เรื่องนึงแต่ทุกใจเนี่ยนะมันก็หนีไม่พ้นเรื่องการแบกนะการยึดนะไปยึดเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะด้วยความอะไรอาวรณ์หรือไปแบกสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะทำให้เกิดความหนักอกหนักใจนะถ้าวางได้นะใจก็เป็นสุขนะใจก็โปร่งเบา อันนี้การยึดเนี่ยนะมันคนเรายึดเนี่ยนะส่วนใหญ่นะก็เพราะไม่มีสตินะเวลาเราไปยึดเอาอารมณ์นะที่ไม่น่าพอใจหรือที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาอารมณ์ในที่นี้หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะนะรวมทั้งธรรมารมด้วย เห็นภาพนะที่ไ <vaig> ม <pour comments> ่น่าดูก็ไม่ใช่สักตะว่าเห็นก็เก็บเอามาบางคนเห็นภาพสยดสยองนะก็เกิดความหวาดกลัวไม่ยอมสลัดไปจากใจก็เก็บเอามาคิดกลางคืนก็เลยนอนไม่หลับนะหรือว่าได้ยินเสียงนะ เสียงอะไรนะเสียงต่อว่าด่าทอนะก็เก็บเอามาคิดนะ้ัง ท, ที่มันทิ่มแทงใจหรือว่าเผาลนจิตใจเสียงนั้นอาจจะไม่ใช่เสียงที่เข้าทางหูนะแต่มันมาทางตาเช่นข้อความที่อ่านทางเฟซบุ๊กนะหรือว่าทางไลน์ บางคนจำได้แม่เลยนะว่าเขาด่าว่าอะไรเขาเขียนว่าอะไรทั้งที่มันไม่น่าจำเลยนะเพราะว่าจำแล้วเนี่ยมันทำให้ทุกข์ทำให้ร้อนทำให้เจ็บปวดและจำมันทำไมนะอันนี้เรียกว่ายึดนะเพราะลืมตัวนะก็คือไม่มีสตินะรูปรสกลิ่นเสียง ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเมื่อมันทุกข์แล้วก็น่าจะวางนะแต่ว่ามันไม่ยอมวางเพราะว่าลืมตัวนะอันนี้รวมถึงเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาภายในใจเช่นความโกรธความเศร้าความแค้นมันเกิดขึ้นทีไรนะมันก็เผาใจบีบคั้นใจกรีดแทงใจนะ แต่ทำไมไม่วางทำไมไม่สั่ออกไปจากใจก็เพราะลืมตัวนะแก็เลยนะทาให้ความทุกเนี่ยมันไม่ยอมจางคลายไปจากใจความทุกใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะไม่ว่าอารมณ์ใดแต่ว่า ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยืดเยื้อเป็นวันเป็นคืนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็พราเราไปต่ อ, อยุคให้มันนะไปต่ อ, อย่ห้มันด้วยการคิดถึงมันบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดซ้ำคิดซากเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความยึดติดแบบหนึง่งนะอารมณ์ที่เศร้าหมองนะหรือว่าอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นกับใจทีไรมันก็ทําให้ใจเป็นทุกข์นะ แต่ทำไมเราถึงประคบประงมมันนักนะทำไมเราถึงแบกมันเอาไว้เลี้ยงมันเหมือนกับเลี้ยงไฟให้เผาจิตเผาใจอยู่เรื่อยๆนะอันนี้เพราะลืมตัวคนเราเวลาโกรดนี่ไม่รู้ตัวนะเวลาโกรดนี่ไม่รู้ตัวนะไม่ใช่ไม่รู้ตัวว่าทํำอะไรลงไปนะมันยังไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้ตัวว่าโกรธด้วยซ้ํำนะ คนที่เวลาเครียดเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเครียดนะมารู้ตัวอีกทีหรือมาเริ่มผิดสังเกต ต, ตอนที่มันเริ่มแน่นหน้าอกนะปวดหัวนะเดีย๋ยวน้าปฏิบัติหลายคนเนี่ยเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือว่าปฏิบัติด้วยความเครียดนะนานหนึ่คือขโมยก็ไม่รู้ตัวนะ มาเริ่มเอใจก็ตอนที่ว่ามันแน่นหน้าอกมันปวดหัวบางคนก็ปวดหลังนะจริงๆเนี่ยนะถ้ารู้ว่าตัวเครียดเนี่ยนะอาการเหล่านี้มันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าพอรู้ว่าเครียดมันก็จะผ่อนคลายแต่เพราะว่าปล่อยให้มันเครียดอยู่นานนะจากความเครียดที่ใจมันก็เลยกลายเป็นความเครียดที่กายอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้ว่านะ ไอ้ตอนที่เครียดนะไม่รู้ตัวนะบางทีมีคนทักนะว่าเนี่ยหน้าตาเธอเครียดนะยังเถียงยังแยงนะว่าฉันไม่เครียดนะเ <_ C _> พื่อนก็ยืนยันว่าเธอเครียดนะบอกว่าฉันไม่เครียดฉันไม่เครียดนะนะบางทีเพื่อนก็บรินี้เธอกรดแล้วนะยังเถียงว่ากูไม่โกรธพูดแล้วกูไม่โกรธไม่ได้โกรธแต่มัน บอกอยู่ในตัวแล้วมันฟ้องในตัวแล้วโกรธอยู่นะแล้วคนเวลาเราโกรธนี่เราไม่รู้ตัวนะเวลาเศร้าก็ไม่รู้ตัวนะจึงปล่อยใจจมดิ่งลงไปในความเศร้าในความโกรธเพื่อนมาชวนไปเที่ยกวก็ไม่ยอมไปบางทีดุเพื่อนอีกนะว่ามายุ่งอะไรกับฉันพ่าตอนนั้นเนี่ย จิตมันกำลังจมดิ่งอยู่กับอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธอารมณ์ผิดหวังนะมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขามาสัก20ปีที่แล้วเนี่ยเขาสมัยนั้นก็ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตนะก็สื่อสารกันทางจดหมายได้จดหมายจากเพื่อนผู้ชายซึ่งเธอก็นะรักเขาแต่ว่าผู้ชายไม่มีใจให้ก็แค่ก็เป็นเพื่อนอ่านจดหมายแล้วเธอก็เสียใจ นั่งซึมอยู่ที่บ้านก็พอดีมีเพื่อนกลุ่มนึงนะมาที่บ้านมาถึงก็เรียกนะที่หน้าประตูแล้วก็กริ่งด้วยนะชวนไปเที่ยวพอเธอได้ยินเพื่อนเรียกนี่เธอฉุนขึ้นมาในใจเลยนะในใจก็นึกนะว่าเนี่ยเวลาเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกนะอยากจะทุกต่อไปอยากจะเศร้าต่อไปนะ คนที่มีสติคนที่มีความรู้สึกตัวก็ไม่ทําแบบเนี้นนะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีสตินะมันลืมตัวไปจมันก็เลยยิ่งยึดนะยึดในความเศร้าอยากจะรักษาเอาไว้หวงแหนความเศร้าเวลาเปิดเพลงก็ไม่ใช่เปิดเพลงสนุกเปิดเพลงร็อกแนละ้ก็ต้องเปิดเพลงเศร้านะีอันนี้เราว่ายึดยึดมั่นถือมั่นโดยไม่รู้ตัวนะคือไม่มีสติแต่พอมีสติปุ๊บนี่มันวางเลยนะ ไม่ไว่าจะเป็นอารมณ์ใดความโศก ค, ความเศร้าความโกรธเนี่ยคนที่กโกรธเนี่ยอยากจะทำร้ายอาจจะกำลังจะทำร้ายเพื่อนทำร้ายลูกนะเตรียมจะฟาดอยู่แล้วนะพอมีคนมาพูดเตือนได้สตินะมันหายโกรธแล้นะมือที่กำลังจะฟาดนี้ก็วางเลยช ง, งักเลยหรือถ้าจะเอาข้าวของหรือเงาปลานี่ก็หยุดเลย นี่พอมีความรู้ตัวปุ๊บนี่มันมันวางเลยนะไอ้ความโกรธเนี่ยอารมณ์ที่ก่อกลุ่มใจหรือว่าที่ปล่อยใจเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นให้สตินี่มันช่วยทําให้ปล่อยวางนะหรือวปล่อยวางอารมณ์ที่มันบีบคั้นเผาลนจิตใจหรือพวกนั้คืออารมณ์ที่สร้างความทุกข์ให้ แต่คนเรานี่ไม่ได้ยึดติดแต่เฉพาะสิ่งที่ให้ความทุกข์หรือสร้างทุกข์กับเรานะไอที่เห็นเด่นชัดก็นนคือการไปยึดติดกับสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไม่่จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะที่ให้สุขเวทนา น, นี่ชัดเจนอยู่แล้วนะเช่นอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะหรือว่าข้าวกลองเครื่องใช้นะที่มันทำให้สบายเนื้อสบายตัวหรือว่า เป็นสินค้าแบรนด์เน่ยที่ทำให้รู้สึกปลืม้มที่ได้ใช้รู้สึกเท่อันนี้มันให้สุขเวทนานะทั้งกายและใจะธรรมดาที่คนเราก็จะยึดมันเอาไว้รวมทั้งความสุขหรือว่าสุขเวทนาที่เกิดขึ้นนะความพอใจความยินดีนะความปิติ รวมทั้งความสงบนะพอเกิดคือเราเนี่ยก็จะยึดจิตมันจะคว้ามหมักเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วนะคนที่ปัญหาคือว่าไอ้สิ่งที่เรายึดเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเป็นแขวมันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็มันก็ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเรานะเสดไปเสดไปนานๆก็เบื่อนะ อาหารที่อร่อยนะถ้าเรากินอาหารจานนั้นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันกินทุกมื้อนะจะเป็นไก่ย่างส้มตําจะเป็นหูฉลามก็ดีหรือว่าอาหารในพัตคารหรูสามดาวห้าดาวนะสามดาวของมิชลินนะตอนนี้คนไทยกนะ็ตามล่าอาหารสามดาวของมิชลินราคาแพงมากนะ ก็เริ่มมาเปิดพัตคารที่เมืองไทยกินช้อนแรกหรือว่าจานแรกก็อร่อยนะถ้ากินทกุกินไปเรื่อยๆกินทุกมือทุกมือเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เริ่มเบื่อนะเริ่มเบือ่อแล้วกินถ้ากินต่อไปเรื่อยๆนะมันก็เริ่มเอียนแล้วถ้ากินต่อไปนะก็อาจจะอาจเจียนได้นะ อนน้แสดงว่าอะไแสดงว่ามันมีความไม่อร่อยแฝงอยู่นะความไม่อร่อยเนี่ยมันก็แทรกอยู่ในความอร่อยแล้วความแม่หลัอก็จะแสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเสพบ่อย ๆ, ๆเพลงก็เหมือนกันนะเพลงที่ฟังเพลินเนี่ยหรือฟังสนุกสนานเนี่ยก็ฟังทีแรกก็สนุกสนานไพเราะแต่ฟังสิบเที่ยวหรือร้อยเที่ยวเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่ไพเราะละ ก็จะเริ่มน่าเบื่อแล้วยิ่งเสื้อผ้ายิ่งชัดใหญ่นะเสื้อผ้าราคาแพงหลายคนนี่ซื้อมาใส่แค่ครั้งสองครั้งก็เบื่อแล้วหรือบางทีไม่ทันใส่เลยซื้อมาแล้วไม่ได้ทันใส่แขวนไว้ในตู้เห็นบ่อยๆเห้นบ่อยๆมันก็มันก็เบื่อไปเองนะสนเสน่หของมันก็จืดจางไปที่จริงที่มันชัดกว่านั้นนะคือถ้านะอิรลียบทของเรา อิรลียบทใดที่เราคิดว่าสบายนะลองอยู่ในอิรลีบอนนั้นนานๆเนีเช่นนั่งเนี่ยตอนนี้เรานั่งพับเทียมนั่งขัดสมาธินะรู้สึกว่ามันเมื่อยเราคิดว่าถ้านั่งยืดขาหรือว่านั่งเก้าอี้นี่จะสบายแต่พอนั่งไปได้สักนะชั่วโมงหนึ่งนะก็จะเ ร, เริ่มรู้สึกเมื่อยแล้วคราวนี้ก็ต้องนั่งท่าใหม่เช่นพิงเสา หรือไม่ไข้ห้างแต่ก็สบายได้ไปเดียวเดียวเดี๋ยวก็เมื่อยแลวนวะสุดท้ายก็นอนดีกว่าแต่นอนเนี่ยนะทีแรกก็สบายนะแต่พอนอนไปสักพักสองสามชั่วโมงก็จะเริ่มเมื่อยเริ่มมีการพลิกตัวที่จริงไอ้พลิกตัวก่อนนั้นแล้วด้วยก็ได้ที่พลิกตัวเขาแหละเพราะมันเมื่อยนะแต่บางทีเราไม่สังเกตเพราะเราพลิกตัวโดยไม่รู้ตัวมันแปลว่าอะไรนะมันแปลว่าไอ้ความสบายเนี่ย มันก็มีความไม่สบายซ่อนอยู่ไอ้ความไม่สบายนี่พอเวลาผ่านไปนานๆมันก็แสดงตัวชัดเจนจนกระทั่งทนไม่ไดนะ้พอทนไม่ได้เราก็เรียกว่าทุกข์นะทุกข์แปลว่าภาวะที่ทนไม่ได้ทนได้ยากแต่ที่จริงทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ก่อนแล้วนะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในในปริมาณที่เล็กน้อยแต่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไป พูดสรุปก็คือว่าทุกเนี่ยมันก็มันก็แฝงอยู่ในสุขนะในทุกขอันในสุขก็มีแฝงก็มีความทุกข์แฝงอยู่อันนี้เรียกว่าทุกข์ขังก็ก็ได้นะวัเนี้ไม่ว่าเรายึดอะไรนะสิ่งที่เรายึดเนี่ยไม่นานเนี่ยมันก็ไม่ใช่มป็นแค่แปรเปลี่ยนนะถึงแม้มันไม่แปรเปลี่ยนนะถึงแม่ถึงแม้มันยังอยู่กับที่นะแต่เราก็จะ เริ่มพบกับความทุกข์นะที่มันแสดงตัวออกมาและพอเห็นนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าถ้าเกิดไปยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยนะพอมันแปรเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์นะเราก็เสียใจเงินหายของหายหรือว่าร่างกายมันเสื่อมนะแก่ตัวลงผิวหนังเหี่ยวยนนะ่นอันนี้เพราะเราทุกข์พเพราะเราไปยึดมันเอาไว้ยึด ยึดอย่างไรก็คือยึดให้มันเที่ยงยึดอยากให้มันสุกนะพอมันป่วยพอมันเจ็บก็ทุกข์ละทุกใจนะไอ้ทุกข์กายนี่มันชัดอยู่แล้วแต่ทุกใจนี่พรไปยึดเอาไว้ยึดว่ามันเที่ยงยึดว่ามันเป็นสุกยึดว่ามันเป็นของเราพอมันไม่ใช่ของเราก็เสียใจผิดหวัง การยึดแบบนี้เนี่ยนะเรียกว่ายึดเพราะความหลงนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการยึดสิ่งที่เป็นสิ่งที่ให้ทุกเวทนากับเราเนี่ยอันนี้ยึดเพราะว่าความลืมตัวคือไม่มีสติส่วนสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเรายึดนะเพราะเราหลงว่ามันเที่ยงมันจะให้สุขกับเราอย่างถาวร น, นะอันนี้เรียกว่าไม่มีปัญญานะ ที่ทำยังไงนั่ก็ต้องเพิ่มถ้าเราเมื่อเราไม่มีสติเราไม่รู้ตัวเราก็ต้องเติมนะเติมสติเข้าไปเมื่อแต่ก็ตามที่เรามีสตินะเราก็จะวางสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเรารวมทั้งอารมณ์นะที่เป็นอกุศลขณะเดียกั น, ะนกไอ้ที่มันหนักกว่านั้นนะั่ก็คือการไปยึดสิ่งที่มันให มันให้ความสุขกับเราชั่วครั้งชั่วคราวเท่าเรายึดมากเทา่าไหรแล้วก็ทุกมากเท่านั้นเมื่อมันแปลเปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญานะปัญญามก็จะมาแทนความหลงไอ้หลงเนี่ยก็ทําให้ยึดในสิ่งที่คิดว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขแต่พอเรามีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ทเที่ยงแท้ถาวรทุกอย่างเป็นอ น, นิจจ์นะ ทุกอย่างล้วนเป็นทุกทั้งนั้นนะแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยมันก็จะทำให้เราวางได้สติทำให้เราวางอารมณ์ที่สร้างความทุกข์กับเราที่เห็นชัดๆนะส่วนปัญญาเนี่ยช่วยทำให้เราวางนะไอสิ่งที่เราหลงคิดว่ามันให้ความสุขกับเรา ก็คือการมาสุขนั่นแหละนะหรือพูดรวมๆคือทรัพย์สินเงินทองนะชื่อเสียงกิตติยศนะไอ้พวกนี้เป็นหลุมพลางที่ละเอียดมากเพราะว่ามันล่อเราด้วยความสุขนะมันให้ความสุขกับเราทางลิ้นทางตานะทางจมูกนะรวมไปถึงทางใจด้วยแต่เมื่อแต่เมื่อตากทที่เราไปยึดมัน นะแล้วก็ไม่ต่างจากปลานะที่มันไปมันเห็นเหยื่อมันเห็นนอนมันก็คว้ามหมักเลยมันก็คุบทันทีเลยคุบทีแรกนี่ก็อร่อยนะได้กินได้กินนอนได้กินไส้เดือนแต่สักพักเนี่ก็จะเจ็บนะเพราะว่าโดนโดนเบ็ดทิ่มคอนะ เสร็จแล้วก็เลยนะโดนาชาวประมงนะเขาจับไปแต่ถึงแม้เขาไม่จับไปมันก็เจ็บอยู่แล้วล่ะนะเพราะว่าเบ็ดมันทิ่มคอทิ่มปากเอาน้อนหรือว่ามแมลงที่ใช้เป็นเหยื่อจับปลานี้ก็เหมือนการมาสุขนะมันให้ความสุขทีแรกเมื่อได้เสพแต่หลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยความทุกข์ ทุกเมื่อมันแปลเปลี่ยนไปทุกเพราะมันแสดงทุกขังออกมาให้เราให้เราประสบนะเพียงแต่ว่าเวลาที่มันจะแสดงตัวหรือทําความทุกยกับเราอาจจะไม่เร็วเหมือนกับปลาที่มันฮุบเหยื่อแล้วมันโดนเบ็ดทิ่มนะอันนั้นมันแทบจะทันทีเลยไอ้ส่วนการมาสุกเนี่ยรูปรถกินเสียง สัมผัสนะที่น่าพอใจเนี่ยทีแรกมันให้ความสุขนะแต่ว่ามันตามมาด้วยความทุกขนะ์หลายคนพอต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปสูญเสียบ้านบ้านถูกยึดรถถูกยึดนะเพราะว่าเป็นหนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ไปเล่นหุ้นหุ้นราคาตกนะไปกู้เงินมา หวังจะช่วยพยุงสถานการณ์เพราะว่ายิ่งแย่ลงก็เลยเป็นหนี้มากเขาก็ยึดเลยยึดบ้านยึดรถเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นข้ า, าราชกสูงก็อายอับอายทำใจไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายก็มีที่จริงมันไม่ใช่บ้านนะไม่ใช่รถที่สูญนะแต่ว่าหน้าตาเกียรติยศนะก็กำลังจะสูญไปด้วยนะ มันเคยให้ความสุขกับเราแต่ตอนนี้เราจะสูญเสียมันไปทำใจไม่ได้ก็เลยทำร้ายตัวเองนะอันนี้เราเป็นโทษนะโทษของความยึดติดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาเนีเสียแต่แรกเนี่ยรู้ว่ามันไม่เที่ยงนะอของผู้นี้แล้วก็มันไม่ใช่ทุกมันไม่ให้ความสุขอย่างแท้จริงมันเจอไปด้วยทุกนะการมาสุขนี่ให้ความสุขชั่วคราวแต่ว่า ตามมาด้วยความทุกข์ที่ยาวนานมีทุกข์น้อยแต่สุขมากนะผู้เจ้าเปลี่ยหมือนกับว่าการมาสุขนะเปรี่ยบเหมือนกับใต้นะที่ทําด้วยยาแห้งเวลาจุดเนี้มันก็ให้แสงสว่างนะแต่ว่าควันก็เยอะทําให้ระคายเคืองนะมันไม่ใช่แสงสว่างที่ใสเหมือนกระจอเหมือนกับ ไฟ LED นะหรือไฟสมัยใหม่นะมันให้ความสว่างก็จริงในใต้นะั่นแะแต่ว่ามันทำให้ระคายเคืองมากแล้วก็ถ้าไม่วางไม่รีบวางนะในสมองก็จะไหม้มือนะอันนี้เปลี่ยนมือการมาสุขที่ว่ามันให้สุขอาจจะสัก 30% แต่ 70% นี่คือทุกนะนี้ถ้าเรามีปัญญาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันนะ ใช้มันแต่ว่าใช้มันนะในยามที่เป็นประโยชน์หรือยามที่จำเป็นแต่ก็รู้จักวางนะเหมือนกับเราถือไตนะเมื่อเร า, าใช้เสร็จเราก็วางมันลงอันนี้ก็เรียกว่าเราใช้มันแต่ส่วนใหญ่นะพอไปยึดมันนะไปยึดว่ามันเป็นของเรานะเรากลายเป็นของมันทันที ไปยึดว่าเงินเป็นของเราเรากลายเป็นของเงินต่ยึดว่าเพาชรพลอยเป็นของเราเราก็เป็นของมันต่ยึว่าบ้านเป็นของเราเราก็เป็นของมันพอจะเสียบ้านจะถูกยึดนะโอ้ยตายดีกว่าฉันยอมตายดีกว่าจะเสียบ้านมันก็น่าแปลกนะคนเราเนี่ยยอมทิ้งชีวิตแต่ไม่ยอมทิ้งบ้านไม่ยอมทิ้งรถ ท, ทั้งที่ถ้ามีชีวิตนะ มันก็ยังพอจะหาบ้านใหม่บ้านหลังใหม่รถหลังใหม่รถคันใหม่ได้แต่คนจำนวไม่น้อยเนี่ยนะกล้าทิ้งชีวิตนะแต่ว่าไม่ยอมทิ้งนะรถไม่ยอมทิ้งบ้านนะหรือไม่ยอมทิ้งหน้าตานะมันก็แปลกดีนะทั้งที่ชีวิตเนี่ยมันมีค่ากว่าบ้านมีมากค่ากว่ารถแต่ทําไมคนเรายอมทิ้งชีวิตแทนที่จะทิ้งบ้านทิ้งรถนะ นั่นเพราะไม่รู้ตัวนะมันไม่มีสติอ่ะนะก็เลยทำในสิ่งที่คนปกติเขาไม่ทำกันจริงๆเนี่ยถ้ากล้าที่จะตายนะมันก็กล้านะมันก็น่าจะกล้าทิ้งรถทิ้งบ้านเสียรถเสียบ้านไปช่างมันหาใหมนะ่แต่พอคนเราหมดสติแล้วหรือไม่มีสตนะิก็สามารถจะทำในสิ่งที่เป็นโทวกับตัวเองทำร้ายตัวเองได้ ย่างนี้ที่เรามาปฏิบัตินี่ก็เพื่อว่าให้เรามีสตินะเราจะได้ไม่ไปไปยึดไม่ไปเกาะเกี่ยวหรือไม่ไปจมอยู่กับอารมณ์ที่ทำให้ทุกข์นะความเศร้าความเสียใจความโกรธรวมทั้งเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วหรือว่าเหตุการณ์ที่มาไม่ถึงนะที่ย่าแย่ที่เจ็บปวดก็ปล่อยวางมัน แตโดยการถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็ไม่ได้พอใจแต่ความสงบที่เกิดจากการปล่อยวางด้วยสติแต่ว่าเราสามารถที่จะพิจารณาไปจนถึงเกิดปัญญาเห็นว่าสังขารทั้งปวงนี้มันไม่เที่ยงนั้นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะแล้ว ม, มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่ยึดมั่นถือมั่นได้นะเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายไอ้ของที่เคยเห็นว่ามันสวยมันมันให้ความสุขกับเราเนี่ยตอนนี้เห็นแล้วว่าที่จริงไม่ใช่ เห็นความจริงของมันแล้วเห็นท่าแท้ของมันเมื่อเคยแบกเคยแบกกล่องนะหีบสมบัติเพราะคิดว่าในนั้นเนี่ยเป็นเพชรแต่พอรู้ความจริงว่าในนั้นมีแต่หินหรือว่าบอเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันมีงูพอรู้ว่าในนั้นเป็นถีหรือเป็นมีงูอยู่นะโอยมันวางทันทีเลยนะวางทันทีเลยหรือเหมือนกับแบกนะหีบสมบัติที่มีเงิน มีธนบัตรมากมายแน่นเต็มหมดแต่พอรู้ว่าในนั้นคือแบงก์กรุงเท็กนะมันวางเลยนะในปัญญานี่มันทําให้วางแบบนั้นแหละนะก็คือทําให้ไม่ยึดต่อไปไอ้ที่เคยคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษเนี่ยมาพบความจริงมันไม่ใช่พุทธเจ้าในตอนที่ใกล้จะตัดสรูนนะคืนคืนก่อนตัดสรูนเนี่ยพระองค์มีนิมิตอยู่ห้าประการ และนิมิตประการ น, นี้คือพระองค์เนี่ยเดินไปเจอภูเขานะแต่ไม่ใช่ภูเขาธรรมดานเป็นภูเขาที่เป็นภูเขาอุจระอุจจระนี่มันกองเป็นภูเขาเลยแต่พระองค์ก็เดินย่ําแต่ว่าไม่แปลกเปื้อนเดินยังไงเดินยังไงก็ไม่แปลกเปื้อนอันนี้เป็นนิมิตว่าพระองค์จะตัสรู้ ภูเขาอุจลานั่นคืออะไรทราบไหมก็คือทรัพย์สินเงินทองหรือว่าอาสิ่งของอพวกการมาสุขกนะการมาสุกมก็หนีไม่พ้นเรื่องสิ่งของนะการมาสุขที่คนสแสวงหาแต่ว่าพระองค์บความจริงว่ามันนะไม่ต่างจากอุจลาคือว่ามันมีแต่โทษนะแต่ว่า มันไม่แตดเปื้อนพระองค์แล้วหมายว่าพระองค์เนี่ยใจนี่ยไม่ยึดติดเกาะเกี่ยวกับสิ่งนั้นอันนี้เป็นนิมิตว่าพระองค์เนี่ยจะเอาชนะการมมาสุขได้นะกิเลสนะจะไม่สามารถจะฉาบเปื้อนพร ะ, พระองค์เหมือนกับดอกบัวที่น้ำเนี่ยไม่สามารถจะฉาบให้ให้เปียกไดนะ้อันนี้พระองค์จะตัดสรุเป็นนิมิตหมายว่าพระองค์จะตัดสรลุเห็นความจริงว่าการมาสุขนั้นนั้นมันมันไม่งามมันเต็มไปด้วยโทษนะ สิ่งที่คนหมายปองแท้จริงก็คือไม่ต่างจากอุจจาระนะมันไม่น่าที่จะเอาเลยนะอันนี้คือนะปัญญาเมื่อปัญญาเมื่อมีปัญญาเห็นเห็นความจริงเนี่ยมันก็จะปล่อยวางเองนะและนั่นทำให้นะเกิดความหลุดพ้นนะหลุดพ้นอย่างปล่อยวางอย่างแรกนะเกิดเพราะสตินะแต่ปล่อยวางที่ลึกซึ้งนะแล้วก็ปล่อยวางอย่างย่างยินถวาวรคือ เกิดปัญญาขึ้นมานะอันนี้ก็คื อ, อสิ่งที่เรานะควรจะภาคเพียรปฏิบัตินะอย่างนอกก็ต้องทำให้เกิดสติก่อนนะแล้วสติเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาจกนกระทั่งปล่อยวางแย่งท้าจริง